และสิ่งที่ในกาลเวลานั้นมีความแปลกประหลาดหลายชนิดและบทเรียนมากมายที่บ่งชี้ถึงเดชานุภาพและปรีชาญาณของอัลเลาะห์โดยที่มนุษย์นั้นอยู่ในสภาพการขาดทุนและลดหลั่นอยู่เสมอเว้นแต่ผู้มีคุณลักษณะ 4 ประการกล่าวคือการอีมานหรือการศรัทธาและการกระทำความดีและการตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และการตักเตือนกันให้มีความอดทนซึ่งเป็นมูลฐานของความประเสริฐและเป็นรากฐานของศาสนาด้วยเหตุนี้เองอิหม่ามซาฟีอะลัยฮิรัหมาตุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าหากอัลเลาะห์ไม่ประทานสิ่งอื่นนอกจากบทนี้ก็เป็นการพอเพียงสําหรับมนุษย์แล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัลอสรินนัลอินซานะลีฟิคุซรขอสาบานด้วยเวลาอัสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนอิลัลลซีนามานูวะอามิลุศศอลิฮาติวะตะวาซอบิลฮักก์วะตะวาซอบิสศ็อบรนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลายและตักเตือน ซึ่งกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนซึ่งกันและกันให้มีความอดทน